อารมณ์ที่ควรคิดอารมณ์เป็นเครื่องผูกจิตไว้ในทางที่ดีแต่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายไม่ค่อยทำตามเป็นอย่างนั้นอย่างเช่นว่าถ้าใครเป็นคนชอบกระด้างกระเดืองมีใจกระด้างกระเดือง ไม่กลัวบาปไม่กลัวทุกข์อย่างนี้นะพระองค์เจ้าก็ทรงสอนให้นึกถึงความตายบ่อยๆนี่เมือ่อผู้ใดมองเห็นว่าชีวิตนี่มันมีความตายเป็นที่สุดอยู่เะนั้นแล้วอันความที่เคยแข็งกระด้างกระดึ่งมาแต่ก่อนมันก็อ่อนโยนลงเพราะว่า เมื่อตายแล้วไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปสักอย่างมีแต่กรรมดีกรรมชั่วที่ตัวทํำเท่านี้ติดตามไป mm hmm. เมื่อผูใ้ใดรู้ได้อย่างนี้แล้วเอา้าสิ่งใดเป็นกรรมชั่วก็ไม่ยึดถือเอาแลยเพราะว่ากรรมชั่วมันอํานวยผลให้เป็นทุกข์อย่างนี้เอา้ากรรมดีอํานวยผลให้เป็นสุขทุกคนต้องการความสุข เมื่อรู้ว่ากรรมดีอำนวยผลให้เป็นสุขอย่างนี้แล้วมันก็ยึดเอากรรมดีนั้นเป็นอารมณ์ไนี้เป็นยึดเอาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นอารมณ์ในที่ท่านสอนให้นึกถึงคุณพระรัตนกรโดยย่อๆเพื่อให้ใจมันแน่วแน่ลงเป็นหนึ่งนั่นก็ได้แก่พุทโธหรือว่าผู้ที่ นึกทรรมโมมันใจมันสบายมันเยือกเย็นอย่างนี้ก็ น, นึกทรรมโมเป็นอารมณ์ผู้ที่นึกสังโฆไปบ่อยๆใจมันสงบใจมันตั้งมั่นลงได้ก็ น, นึกสังโฆเป็นอารมณ์ไปไม่เลือกเวลาอันนี้นะเมื่อเรานึกพระคุณทั้งสามนี่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว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 จิตมันก็ไม่ได้แข็งกระด้างกระเดืองอืเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ไม่ได้แข็งกระด้างกระเดืองกับใครเลยืพระองค์วางพระองค์เสมออยู่อย่างนั้นเป็นตัวอย่างของชาวโลกตลอดถึงมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแม้พระสาวกที่ปฏิบัติตามร่องรอยของพระศาสดา ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็วางตนตามพระองค์นั่นแหละแม้ว่าท่านจะมีคุณวุฒิอันสูงอย่างไรเป็นอคตสาวกเบื้อง่ายเบื้องฟ้าของพระพุทธ เ, เจ้าก็ดีหรือเป็นสาวกผู้มีฤทธิ์มีเดชมากได้รับความยกย่องจากคนทั้งหลายอย่างไรท่านก็ไม่ได้แข็งกระดั่งกระดึ่งเลย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 อย่างนั้นนะอันนี้แหละปฏิปทาของพระพุเทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายเนะี่ยเราต้องนึกถึงพระคุณของท่านมาเป็นอารมณ์อย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะบริกรรมแตกคาถาหรือว่าแต่พระคุณเท่านั้นอย่างเดียวเรายัางพิจารณาเห็นพระคุณธรรมที่มีอยู่ในใจของท่านนะ่ะ ทำให้ท่านเป็นอย่างไรอย่างไรเราก็พิจารณาให้เห็นเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนั้นแล้วอเราจะมานึกว่าอืออันนั้นท่านอันนี้เราเราไปทําได้ยังไงเราไม่ใช่ท่านเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเราไม่ใช่พระอระหรันเราจะไปปฏิบัติอย่างท่านนั้นได้อย่างไรถ้าไปคัดค้านอยู่อย่างนั้นแล้วผู้นั้นอ่ะ จะไม่เข้าถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นที่พึ่งเลยนี่ต้องให้เข้าใจเราปฏิเสธนี้่ถ้าคนมีปัญญานะเขาจะไม่คิดอย่างนั้นเลยมเมื่อเรานึกถึงพระคุณทั้งสามนั่นมาแนละ้วเห็นว่าเป็นของประเสริฐจริงอย่างนี้แล้วนะเออทาอย่างไรโหนเราจึงจะถึงพระคุณทั้งสามนี้เป็นที่พึ่งได้ มันก็ต้องดำริอย่างนี้แหละพอเราเลื่อมใสนี่เห็นว่าพระคุณเหล่า น, นี้นะเป็นของสงบระงับเยือกเย็นไม่มีเวรไม่มีภัยกับสิ่งใดทั้งหมดอพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่มีเวรกับใครเลยไม่ได้ทําใครเป็นทุกข์เดือดร้อนจนะมีแต่ผู้อื่นนั่นแหละประมาทพระองค์เบียดเบียนอิจฉาพระองค์แล้วก็กรรมของตัวเองห่ะ ทำลายตัวเองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเหมือนอย่างเช่นพระเทวทัตยอย่างนี้แหละพระเทวทัตจับเบียดเบียนพระองค์อย่างไรอย่างไรพระองค์ก็ไม่ตอบโต้เอาไปเอามาพร ะ, พระเทวทัตกบแพ้ภัยตัวเองไป เ, ออเป็นอย่างนั้นนี่แหละเราผู้เป็นพุทธศาสนิกชนนะ่ะก็ต้องฝึกตนตามร่องรอยของพระศาสดาหรือของพระสาวก พระอริยะบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นจึงจะสงก็ว่าเราเริ่มใสนี่ต้องคิดให้ดีคําว่าเริ่มใสนี่ก็อยากจะเดิ น, เ ด, นเดินตามหลังท่านนั่นแหละเหมือนอย่างในโลกนี้หละเอาเราโนบถือผู้ใดว่าท่านผู้นั้นทรงคุณวุฒิอันดีงามอย่างนี้นะเราก็อยากเข้าใกล้นี่อยากเดินตามอืม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 ก็ต้องการให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเดินตามหลังท่านคือหมายความว่าเมื่อท่านนําเอาคําสอนของพุทธเจ้าไปสแสดงแนะนําสั่งสอนแล้วอย่างนี้เราก็พยายามปฏิบัติตามนะออก็นั้นแหละได้ชื่อว่าเดินตามหลังพระอริยเจ้าไปเพราะว่าท่านก็ปฏิบัติมาอย่างนี้อคล้ายกับว่าท่านพูดอย่างนั้นแหละ พอปฏิบัติเหล่านี้ท่านดําเนินมาแล้วอืทําให้กิเลสตัณหามันเหือดแห้งไปจริงทําให้ความทุกข์ทางใจนี่ยมันเบาบางไปจริงอืมดังนั้นท่านจึงได้เนะนําสั่งสอนพุทธศาสนาที่กระจนทั้งหลายผู้ที่ยังมีกิเลสตัณหายังทนทุกข์ทนภัยยังไม่ได้ให้พยายามประพฤติปฏิบัติ ต, ต, ตาม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 กับพระองค์สร้างบา ร, รมีมาทั้งสี่อสงไขยปลายแสนมหากรัปนะมาตัดรูปเป็นพระเจ้าแล้วก็มีพระประสงค์อยากจะจูงคนให้เดินตามหลังพระองค์นั่นแหละพระองค์ไม่ประสงค์อย่างอื่นนะนต้องให้เข้าใจถ้ า, าว่าพระองค์ไม่มีพระประสงค์อย่างนั้นแล้วพระองค์ก็สร้างบา ร, รมีเป็นสาวกธรรมดาเนี่ยอสร้างมาอย่างนานก็แสนกับแล้วก็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 ทั้งสองท่านนี้เป็นพระโพธิสัตว์สร้างบารมีปาถนาเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงได้เสด็จไปจำพรรษาอยู่ในป่าหิมพานนั้นช้างเห็นพระองค์เข้าก็มีศรัทธาเลื่อมใสลิงเห็นเข้าก็มีศรัทธาเลื่อมใสได้ปฏิบัติอุปถากพระองค์นําฝนไม้มาถวายอนําพึ่งลวงมาถวาย อันช้างนั้นนำเอาหัวบัวมาถวายพระองค์ให้ฉันออนั่นแหละช้างก็ดีลิงก็ดีก็ได้สร้างบารมีได้ถวายทานแด่พระพุทธเจ้าก็มีผลอันเลิศ เ, เช่นนั้นแหละอันธรรมดาพระพุทธเจ้านี่นะอันสาวกธรรมดานี่ไม่สามารถที่จะรู้นิสัยวัสนาบารมีของคน ได้ว่าใครเป็นอย่างไรใครอยู่อย่างไรควรจะสงเคราะห์ อ, อย่างไรอย่างนี้นะภาษาวกก็ไม่สามารถจะรู้ได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้านี่เราต้องนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เสมอเสมอแล้วเราจะได้มีจิตใจเลื่อมใสเชื่อมั่นในพระคุณของพระพุทธเจ้านี่เป็นอย่างยิ่ง แล้วจะเป็นเหตุให้เราได้ลงมือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นโดยความไม่ประมาทเพระองค์สอนให้ละความโลภเราก็ละตามพระองค์แหละเราเชื่อนี่ น, นันนี่เราไม่โลภเราถือสันตุทีตามมีตามได้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ถือสันตุทีตามมีตามได้อย่างนั้นแหละพระองค์จึงได้เป็นพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงสอนไม่ให้โกรธเราก็พยายามไม่โกรธมีสติสัมปชัญญะสำรวมระวังจิตใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีเรื่องไม่ดีอะไรตออะไรกระทบกระทั่งมาแล้วก็สำรวมจิตไว้คมจิตไว้อย่าให้มันฟูไปรับอารมณ์เหล่านั้นอย่าให้มันวันไหวไปตามอารมณ์ไม่ดีต่างๆเหล่านั้น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 หรือว่าตนเป็นโครคไัยอะไรอยู่ในกายนี่อย่างนี้นะเป็นโรคหัวใจอ่อนก็ให้รู้ตามเป็นจริงว่าตนได้เป็นโรคหัวใจอย่างนี้อันโรคหัวใจนี่มันชอบหงุดหงิดง่ายพวกพูดอยู่นี้ก็เป็นมาเหมือนกันแลยแต่ก่อนนะใครพูดอะไรมาไม่สบอารมณ์หน่อ ย, ยมันก็หงุดหงิดขึ้นมาแล้วแล้วก็พูด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 พูดง่ายๆว่ายังไม่ได้บรรลุอรหัตผลแล้วนั่นน่ะมันก็มีดีมีเสียอยู่อ่อย่างนั้นแหละคนเราพูด ห, หนึ่งนี่นะต้องให้เข้าใจแตงแต่ว่าบางคนก็มีดีมากกว่ามีเสียบางคนก็มีดีกับเสียพอๆกันอย่างนี้ก็มีอย่างนี้นะแต่อย่างนี้แต่มันเรื่องนี้มันต้องเป็นหน้าที่ของใครของเรา จะพึ่งพิจารณาให้เห็นโดยตนเองจะให้ผู้อื่นนั่นพยกรให้ตัดสินให้อย่างนี้ไม่ได้หรอกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ก็จะไม่ไปพยกรคนทั่วๆไปอยู่อย่างนั้นนะไม่มีถึงพระองค์รู้ได้กะแล้วพระองค์จะไปทักคนโน้นคนนี้ตลอดได้ยังไงล่ะ้องคิดดูอ่ะอันนี้ พระองค์ก็เลือกทรมานแต่บุคคลที่มีอุปนิสัยแก่รกล้าแล้วเท่านั้นแหละคนใดที่อุปนิสัยยังไม่แก่รกล้าอย่างนี้พระองค์ก็พยายามพัมนสอนไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นเลยเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกคนนะมันต้องรู้ตัวเองนะการพิจารณารู้ตัวเองเนี่ยสำคัญมากเราจะไปให้ใครรู้ให้ไม่ได้เลย ในนั้การภาวนาจึงชื่อว่าเป็นการสำรวจดูจิตใจตัวเองนี่นะไม่ใช่อย่างอื่นได้พยายามเพ่งดูความรู้สึกนึกคิดภายในนี่เสมอเสมอไปอืหายใจเข้าก็กำหนดรู้หายใจออกก็กำหนดรู้อยู่อย่างนี้ยเมื่อเมื่อหายใจเข้าหายใจออกกำหนดรู้ จิตตัวเองอยู่อย่างนี้นี่มันก็ไม่ไม่ได้หลงไหลไปทางไหนเลยวันนี้นะออหรือว่าหายใจเข้าก็นึกพุทธหายใจออกก็นึกโทอยู่อย่างนี้เอาคุณพระพุทธเจ้านี่ผูจิตไว้วันนี้นะอย่างที่พูดมาแต่เบื้องต้นนั่นแหละเมื่อเมื่อเรามั่นอยู่ในพุทธทอคุณนี่แล้วจิตจะไม่ตกต่ําเลย น, ะนั่นเนี่ย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 มันก็บรรเทามันก็ไม่กำเริบรุนแรงถ้าใจเราตั้งมั่นอยู่ในพุทธคุณนี้แล้วนะอลองนะลองปฏิบัติตามที่แนะนำสั่งสอนนี้ไปอย่าประมาทอย่าปล่อยใจให้คิดสร้างไปทั่วท่านอย่างนั้นแล้วผู้มีโรคอวัยวะพิกพิการอยู่ภายในนี่โรคอวัยวะอันสาคัญสาคัญนี่แหละ พอปล่อยใจให้พุ่งไปทลายโรคนี่ยิ่งกำเริบมากขึ้นเท่านั้นนี่เป็นความจริงนะอันนี้นะเพราะเคยปรากฏมาแล้วถ้าเมื่อใดควบคุมจิตได้จิตสงบจิตตั้งมั่นอยู่ได้ดีอย่างนี้นะโรคอันนั้นก็รู้สึกว่าเบาไปอไม่กำเริบรุนแรงนี่เป็นอย่างนั้น โรคอวัยวะส่วนสําคัญต่างๆนี่ยากที่จะใช้ยาภายนอกนั่นบรรเทาให้หายขาดไปได้ไม่ได้หรอกเช่นหัวใจอย่างนี้นะ่ะเมื่อมันได้พิการลงไว้แล้วมันยากที่มันจะดีปกติคืนได้ฮนะตาปอดโมนี่เหมือนกันนะถ้ามันลงได้วิบัติลงไปแล้วนั่นว่าอย่างมัน ปลูกยายาระ ง, งับไต้กาะเพียงแต่บรรเทาไปเท่านั้นเนี่ยจะให้มันดีเป็นปกติคืนนี่ไม่ได้หรอกแต่อย่างนั้นเราต้องภาวนาดูให้รู้อ่านดูอวัยวะน่ยใหญ่ในร่างกายนี่ให้มันเห็นนี่มันรู้ว่ามันวิบัติส่วนไหนมันไม่ดีมันเป็นอย่างไรเราต้องทำความรู้เท่ามันไปเอาลมมันกำเริบ อลมมันวันไหวลมมันแปรปวนแล้วก็รู้เท่ามันไปอันนั้นก็ธาตุลมมันไม่เที่ยงอย่างนี้แหละเอาตับปอดหัวใจมันมันไหวมันอร้อนหรือมันเย็นหรืออะไรพวกนี้อันนี้เป็นธาตุดินอันนี้มันก็ไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วจะให้มันเป็นปกติอยู่ได้อย่างไรเพราะมันขึ้นอยู่กับกรรม บางคนผู้มีกรรมดีได้ทํากรรมดีมาแต่ก่อนกรรมดีก็มาตกแต่งอวัยวะน้อยใหญ่เหล่านี้ให้ปกติดีแล้วมันก็ตามรักษาเอาไม่ให้วิบัติง่ายๆคนมีบุญนะ่ะถ้าคนผู้มีบาปติดตัวมาแต่ก่อนแล้วบาปนั้นมันก็มาตกแต่งอวัยวะร่างกายอันนี้ให้วิบัติลงอย่างนี้แหละให้ไม่ไม่ไม่ปกติอยู่ได้นี่ ผู้ใดเป็นอย่างนี้ก็พิจารณาให้เห็นกรรมเห็นเวรของตัวเองเออแต่ชาติก่อนนี้เราต้องได้ทำกรรมไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งมากรรมไม่ดนะีมันจะมาตกแต่งอวัยวะน้อยใหญ่ต่างเหล่านี้ให้ไม่ไม่ปกติอยู่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะรักสายหายขาดไปได้ในเรื่องของกรรมเวรมันให้ผลนะ่ะ ไม่มียาในโลกนี่จะมารักษากรรมรักษาเวรได้ที่พีรณาให้รู้ความจริงอย่างนี้แล้วเราก็อดทนเอต่อทุกขเวทน า, าต่างนี้ไปควบคุมใจของเราให้ตั้งมั่นต่อคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตั้งมั่นต่อบุญต่อกุศลที่เราได้บําเพ็ญมาเป็นอารมณ์ว่าอย่างนั้นแล้วก็ นั่นแหละเราได้บุญได้คุณนั่นะเป็นกำลังใจทําให้เราอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาต่างๆได้อย่าไปเข้าใจว่าสิ่งอื่นนั้นจะมาช่วยจิตใจของเราให้ไม่ไม่ให้ทุกข์ไม่ให้เดือดร้อนไม่มีอย่างอื่นไม่มีหรอกเทวดาอินทพมก็ช่วยไม่ได้ช่วยได้แต่บุญแต่คุณอันประเสริฐที่เราเคารพนับถือบูชาที่เราได้กระทําบําเพ็ญมา เท่านี้แหละจะช่วยเราได้ขอให้พากันเชื่อลงไปในใจของตนอย่างนี้ให้แน่วแน่ออแล้วให้รวบรวมบุญคุณนี้ไว้ในใจให้ได้แล้วเราจะบรรเทาทุกทางใจได้รังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้ชีวิตนี้นะผลสุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นแหละต้องรู้เอาอย่าไปสาคัญว่าเราแข็งแรง มันไม่แข็งแรงหรอกร่างกายอันนี้นะมันอยู่ด้วยบุญก็เคยพูดให้ฟังอยู่แล้วเมื่อบุญหมดแล้วมันก็อยู่ไม่ได้ทีน่นี่บุญของคนสมัยนี้นะมันน้อยเต็มทีนะต้องพิจารณาดูให้ดีบางยุคบางสมัยเนะี่ยคนมีอายุยืนตั้งหมื่นปีแสนปีขึ้นไปนู่นแต่ในสมัยที่เรามาเกิดในโลกนี้นะ คนมีอายุไม่ถึงร้อยปีเลยถ้าถึงได้ก็ทำอะไรไม่ได้อายุร้อยปีแล้วก็ดีอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะอยู่กันไปในโลกนี้ไม่นานนะคนแล้วไม่กี่ปีก็ลาโลกแล้วนะเราจะประมาทเอาอะไรแล้วพิจารณาให้ดีข้อสำคัญก็เรียกว่าเรามาปรับปรุงกายวาจาใจอันนี้ให้มันดีงามถึงแม้ว่ามันจะไม่เที่ยง มันจะทารุดสุดโทมแต่เมื่อเวลาบุญกุศลหลนหลังล้นมันอุปถัมภามังยูมันก็มีกําลังพอเป็นไปได้อยู่อย่างนี้แหละอกินได้นอนหลับอยู่เนี่ยทําการงานได้เราอาศัยกําลังกายนี่แหละทําความดีฝึกตนเข้าไปอเราอาศัยของไม่เที่ยงนี่แหละสร้างบุญบา ร, รมีให้คิดอย่างนั้น เมื่อบุญมากแล้วต่อไปนั่นชีวิตนี่มันก็จะอยู่ยั่งยืนนานไปสมควรนี่ไม่ใช่ว่ามันจะมีอายุสั้นเหมือนอย่างชาตินี่ไปทุกชาติเลยไม่ใช่เมื่อบคุคคลใดสั่งสมบุญลงมากเข้าไปแล้วเกิดไปชาติใดต่อไปเบื้องหน้านั่นมันก็อายุยืนยาวนานไปเรื่อยๆไปจนถึงแสนปีนั่นก็จะเป็นไรแล้วคนมีบุญมากนะนั่นแหละ ถ้าสมมุติว่ายังอยากเกิดอยู่ในโลกนี้อีกอย่างนี้นะ <c oughs> ก็ต้องสั่งสมบุญกุศลไวม้มากๆเข้าไปแล้วาการเกิดมันก็จะได้มีความสุขความเจริญราบรื่นดีก็จะได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลเหมือนอย่างคนในยุคในสมัยก่อ น, อนเช่นยกตัวอย่าง สมัยศาสนาพระพุทธเจ้ากัตสป ะ, ะสมัยนั้นคนมีอายุยืนสองหมืนปีในระยะสองหมืนปีนี่เน่ะบุคคลมาทําบุญกุศลสั่งสมบุญกุศลเนี่ยได้มากมายเพราะอายุยืนนี่บุคคลผู้ที่ละบาปได้แล้วคิดสั่งสมแต่บุญกุศลนะมันก็ได้มาก น, นั่นแหละ แล้วคนยุคนี้ อ, อายุน้อยนิดเดียวหนึ่งถ้าไม่รีบเร่งทร ม, มัวเมาประมาทอยู่แล้วก็ไม่ได้สั่งสมบุญกุศลให้มากมายอะไรเลยได้บุญกุศลนิดหน่อยติดตัวไปไปเกิดชาติใดพบใดก็ประสบพบแต่ความทุกข์จนหนโลกพบแต่ความขาดแคลนปัจจัยเครื่องอาศัยต่างๆ มีร่างกายก็ไม่สมประกอบเพราะว่าคนเราทําทั้งบาปทั้งบุญนี่นะมันเป็นอย่างนั้นนะอบาปมันผลมาตกแต่งให้ร่างกายชำรุดชุดทรมไม่มีกําลังเลี้ยวแรงที่จะทําความดีได้เอา้าบุญผลรักษาไว้ยังไม่ให้ตายก่อนบาปผลเป็นผู้ทรมานเออมันเป็นอย่างนั้นนะเรื่องของเรื่องนะ เพราะฉะนั้นผู้ใดต้องการมีชีวิตเป็นอยู่อย่างราบรื่นถ้ามันจะต้องเกิดอีกนี่ก็ต้องเว้นบาปลยนับตัง้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปต้องพยายามเว้นจากบาปกรรมเว้นภัยต่างๆอย่าไปชอบเบียดเบียนบุคคลอื่นและตัดอื่น <c oughs> จเจริญเมตตาแผ่ไมตรีจิตคิดใจสัตว์ทั้งหลาย เป็นฉุกทั่วหน้ากันอยู่ทุกวันทุกคืนไปอย่าไปรู้อานาจแก่ความยินดียินร้ายต่างๆคนส่วนมากมาก็มักแก่รู้อานาจแก่ความยินดียินร้ายอยู่ด้วยกันถ้าไปยินดีต่อกันและกันสักคนหนึ่งใครสักคนหนึ่งแล้วก็เอาแหละมีอะไรก็สงเคราะห์เกื้อกูลกันถ้าเกลียดชังคนใดแล้วก็ไม่เหลียวแลว ในเอื้อเฟื้อเกืดอกูลกันนี่เรียกว่าเป็นพลุอำนาจแก่ความยินดียินร้าย <c oughs> อันนี้มันก็เป็นกิเลสเครื่องคล้องอยู่ในโลกเพราะฉะนั้นอย่าไปทำใจของตนให้เป็นอย่างนั้นต้องทำใจให้เป็นกลางต่อคนทุกจาพวกอย่าไปลำเอียงด้วยความยินดีด้วยความยินร้ายต่างๆ อย่างนั้นมันไม่เป็นผลดีอะไรเลยมีแต่ผลเสียเรื่องอย่างนี้นะมันก็ต้องฝึกแหละถ้าไม่ฝึกแล้วจิตนี้มันก็เป็นไปตามจริตนิสัยที่เคยอบรมมาแต่ก่อนนู่นอตนเคยฝึกจริตนิสัยมาอย่างไรแต่ก่อนนู่ะมาชาตินี้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละถ้าไม่ฝึก ให้ดีขึ้นกว่าเก่านะถ้าไม่สำรวมระวังไม่ฝึกไม่โน้มใจไปในทางทำอันเป็นกุศลต่างๆอย่างนี้นะจริตนิสัยเก่านั้นมันก็ติดตามมานั่นแหละไอ้เรื่องรักเรื่องชังเนี่ยนับว่าเป็นจริตนิสัยติดตามมาทุกคนเลยคนธรรมดาสามัญ น, นี่นะมันย่อมมีอยู่อย่างนั้นแหละ วันนี้นะเมื่อเรามารู้กันแล้วว่ากิเลสดังกล่าวมานี่นะมันเป็นเรื่องทำให้จิตข้องอยู่ในโลกนี่เพราะมันยึดถือบุคคลนี่นั่นนหะยึดถือสิ่งของของสิ่งนั้นสมควรแก่เราเราควรได้เราควรมีคันได้มาแล้วก็ห่วงยินดีพอใจติดใจอยู่กับของที่ตนชอบใจนั้น อย่ันนี้หลรียกว่ายึดทิ่งของยึดบุคคลก็เช่นนั้นแหละจนพอใจกับใครก็พูดดีพันโนพันโนออย่างโน้นอย่างนี้ถ้าจนไว่พอใจกับใครแล้วก็ทําหน้าบึ่งหน้าตึงเห็นกันเข้าไม่มีละที่จะเยี่ยมแย้มแย่มแจ่มใสต่อนี่จริตอย่างนี้แหละควรรู้ตัวกันทุกคนนะถ้าผู้ใดมีจริตอย่างนี้นะ ต้องรีบแก้ไขต้องอย่าให้มันไปตามเดิมของมันต้องดัดแปลงนะต้องควบคุมนั่นแหละในการเจริญสมาธิภาวนาก็ควบคุมจิตไม่ให้มันหลงยินดียินร้ายไปเหมือนตั้งแต่ก่อนมานะั่นต้องให้เข้าใจเมื่อใจเราตั้งมั่นด้วยดีอยู่เนี้ย มันก็ไม่หลงยินดียินร้ายกับใครนะจะเป็นคนดีคนช่วยอย่างไรล้วก็มีจิตเมตตาเสมอกันไปหมดถ้าหากว่าช่วยจริงๆช่วยเหลือไม่ได้แล้วก็วางอุเวคาลงอย่าไปแสดงอาการรังเกียจมันเป็นกิเลสมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะพระพุทธเจ้าทรงแสดงคำวมาไว สำหรับบำรุงจิตใจของเราเนี่ยนะเพียบพร้อมทุกอย่างไปเลยนะทีแรกแล้วก็น้อมใจไปเพื่อปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วกันนั่นแหละใครพอที่จะช่วยเหลือได้เราก็ช่วยกันไปถัดช่วยไปแล้วเขายังไม่ยอมรับความช่วยเหลือของเราเช่นเราแนะนาไปในทางที่ดีเขาไม่ยอมปฏิบัติตาม เขาก็บอกขึ้นไปตามจริตนิสัยอันชั่วของเขานั้นทาอย่างไรมันก็ไม่ไหวแล้วก็วางเบียขาลงก็ไม่ต้องเกียวข้องกันเช่นนั้นแหละใจจึงไม่มัวหมองอันผู้ที่มีเมตตานั่นนะถ้าหากว่าเมื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่เป็นไปตามใจหวังแล้วก็ไปเกิดโทมนัสน้อยใจหรือเกิดความโกรธขึ้นมานั่นไม่ได้เรื่องเลย กลายเป็นกิเลสไปเป็นบาปไปฮะ น, นี่ต้องให้เข้าใจอย่างนั้นดังนั้นเมื่อเราเห็นว่าเราจะช่วยเหลือคนนี้ไม่ได้แล้วเราจะคบกันไม่ได้เพราะทัศนะความเห็นไม่ตรงกันอย่างนี้แล้วก็ก็วางเฉยต่างคนต่างอยู่ไปเราไม่เกี่ยวข้องกันแล้วมันก็หมดเรื่องกันไปเราก็สมาคมกับบุคคลที่มี ความคิดความเห็นนิสัยใจคอตรงกันนั้น อ, อย่างนี้แหละพอจะไปกันได้เราต้องเลือกกันดิเพราะว่าคนในโลกอันนี้ไม่ใช่ว่ามันจะมีจริตนิสัยเหมือนกันตรงกันทั้งหมดไม่ได้เพราะต่างคนต่างสร้างมาต่างคนต่างฝึกจริตนิสัยของตนมาไม่ไม่ไม่เหมือนกันน ะ, ะบางคนก็ ฝึกใจให้น้อมไปทางแห่งความรักความใคร่เป็นคนเจ้าชู้มายาต่างๆอย่างนี้นะไม่เมื่อมาชาตินี้เขาก็เป็นเจ้าชู้นะไม่ใช่ว่าเป็นแต่เฉพาะชาตินี้นะชาติหลังโน้นเขาก็ฝึกใจน้อมใจไปอย่างนั้นอมันถึงติดตามมานี่นะเอาบางคนก็น้มใจไปในทางความโกรธออ ใครทาทอะไรไม่พออกพระใจนิดเดียวก็โกรธแล้วไม่ห้ามจิตใจของตนเลยปล่อยให้ใจตัวเองโกรธไปเรื่อยไปอย่างนั้นนะมันเลยเป็นนิสัยแบบนี้นะมันความโกรธนะั้มันเจะติดตามไปแบบนี้เป็นนิสัยปัจจัยติดตามไ ป, ป, นน ป, ม ไ, ปไปเกิดในชาติใดพบใดก็เป็นคนโทสะพยาบาทอยู่อย่นงนั้นเอเหมือนอย่างท่านเล่านิสเรื่องราวของยากแต่ในอดีตทอนหลังนนั้ะ อันขึ้นเอวัญญัตแล้วนั่นใครๆก็ต้องพูดกันเป็นเสียงเดียวว่ามันดุร้ายไปอย่างนั้นเนี่ยพระว่านิสัยมันฝึกมาอย่างนั้นตั้งแต่เป็นมนุษย์มันก็ฝึกตนเป็นคนดุร้ายอย่างนั้นไม่มีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายด้วยแบบ น, นี้เมื่อมันดุร้ายมากเข้าไปกรรมมันก็แต่งแบ น, นี้นะ ให้เพื่อเกิดเป็นยักษ์เป็นโขมีหน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวต่างๆนานานะกรรมมันแต่งให้โทษแห่งความโกรดนั่นแหละเรื่องมันนะอ่ะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกรรมนี้จึงทื่ว่ามันยุติธรรมมากนะอใจเราน้อมไปยังไงมันก็เป็นกรรมอย่างนั้นไปเนืเมื่อสร้างกรรมอย่างนั้นขึ้นมาแล้วกรรมนั้นมันก็สร้างผู้นั้นให้มีลักษณะอาการเช่นเดียวกับกิริยาอาการที่แสดงออกไปนั่นเนะี่ย พก็เช่นอย่างคนขี้โกรธอย่างนี้นะเมื่อมันโกรธมาแล้วมันก็แสดงหน้าตาบูดบึ้งเกี้ยวกาดอกิริยากายก็ไม่ละมุนละไมเลยอะแล้วการกล่าววาจาอะไรก็อยาบคายเสียบแทงผู้อื่นให้เจ็บอกเจ็บใจไปกิริยาท่าทางอะไรก็หยาบโลนไปต่างๆนานามหมดนี้นะนี่แหละ เมื่อเป็นเช่นนี้นะกรรมนั้นมันก็จะตกแต่งให้ไปเกิดเป็นยักษ์มีความดุร้ายก็ห่ า, หางไกลจากทางสวรรค์ทางวนันอีพานนะเมื่อไปเป็นยักษ์เป็นโขเราเป็นผู้ดุร้ายแล้วอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ไปโปรดเอาไม่ได้เลยแต่ยักษ์บางตนก็มีบุญเหมือนกันแหละแต่ว่ามีน้อยเต็มทีในตำราทั้งกล่าวไว้นั้น เช่นอรารวากายักษ์อย่างนี้อรารวะกายักษ์นี่ก็มีวิมานบินที่อยู่ของตนบนต้นไม้ต้นไจใหห่ต้นหนึ่ง อ, อยู่ใกล้กันกับเมืองอรารวีนั่นแหละพระราชาไปเที่ยวประพาสในป่าเที่ยวล่าเนื้อในป่าหลงพลาดจากบริษัทบริวาร เดินทางกลับพระนครคนเดียวก็ไปเจอล่มชายใหญ่ต้นหนึ่งเห็นว่ามันล่มเงาดีเหนื่อยก็เหนื่อยก็เลยเข้าไปนอนพักอยู่ในล่มชายใหญ่นั้นอันยักษ์นี่มันก็กินคนกินสัตว์ได้แต่เฉพาะอยู่ในล่มเงาไม้ต้นนั้นไม้ต้นที่มันอาศัยอยู่นั่นนะนอกเงามื่อไม้นั้นออกไปแล้วยักษ์กินไม่ได้เอถ้ามันกินได้เราตายหมดคนนะ่ะ น, นั่นแหละ เลยนี่ยักษ์ก็ลงมาสิขอพระราชาบรรทมตื่นขึ้นนะยักษ์บอกว่าท่านมาสู่ถิ่นของเราแล้วท่านเป็นอาหารของเราท่านจะหนีไปไม่ได้เลยเจ้าอารวีเจ้าเมืองอารวีก็เจรจากันทำสัญญาว่าถ้าท่านปล่อยเข้าไปเจ้าไปเข้าไเจ้าจะให้คนถือสำรับอาหารมาถวายวันและสหรับ พร้อมทั้งคนคนหนึ่งให้กินเลยยักษ์ก็ทำขยันขยอให้รับความเป็นจริงพระราชาก็ยืนยันยักษ์ก็เลยปล่อยไปไปถึงพระนครแล้วก็ประชุมเสนาอามาตย์ชี้แจงเหตุผลต่างๆให้ฟังวันนี้เสนาอามาตย์ก็ผู้มีหน้าที่จัดอาหารกับคน ไปให้ยักษ์กินก็จัดไปเจ้าหน้าที่ก็ไปเบิกเอานักโทษอยู่ในเรือนจำํำมาให้ถือภาชนะอาหารนั้นไปซึ่งมีเจ้าหน้าที่ควบคุมไปอ น, นี่พอไปถึงต้นไซต์ต้นนั้นก็เจ้าหน้าที่ก็ให้นักโทษคนนั้นถือภาชนะเข้าไปในล่มไซต์นั้นยักษ์มันก็มาจับเอาคนพร้อมทั้ง สำหรับอาหารนั่นไปกินกันเจ้าหน้าที่ก็กลับเมืองอเป็นอยู่อย่างนั้นนั่นเนี่ยผลสุดท้ายพระพุทธเจ้าทรงเรียงยานส่องสัตว์โลกเห็นอุปนิสัยของอรารวกาคยักจึงได้เสด็จไปโปรดเอาในทรมานเอาเอทีแรกก็แผงริดกับพระ อ, องค์เอาไปเอามาสู้ริดพระ อ, องค์ไม่ได้แล้วก็เข้าไปทูลถามปัญหา พระองค์ก็ทรงแก้ปัญหานั้นให้ฟังจบลงอรารวกยักก็ได้บรรลุโสดาบันแล้วก็ทรงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ในเมืองอรารวีนั้นนํายักษ์นั้นไปสร้างอาคารให้อยู่อาศัยแล้วก็ให้เจ้าอรารวีนั้นจัดอาหารไปส่งให้กินกันเพราะว่าอรารวกยักเมื่อสําเร็จโสดาบันแล้ว จะไปเที่ยวกินผู้กินคนกินสัตว์อย่างนั้นไม่ได้เลยเนีย่ยก็จำเป็นเจ้าเมืองนั่นก็ต้องเลี้ยงดูกันไปจนกว่าจะตายจากกันไปนู่น <c oughs> นะนี่ความดุร้ายนะเป็นอย่างนี้แหละเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นพึ่งพากันพิจารณาตัวเองปรับปรุงตัวเองให้อย่าให้เป็นคนดุร้ายบางคนก็ว่า อา้าถ้าไม่มากระทบกระทั่งกันเนี่ยมันก็ไม่โกรธต่างคนต่างอยู่สักเนียมันก็ไม่มีเรื่องอะไรแต่นี่เมื่ออยู่ดีๆแล้วก็มาว่ากันมาติเตียนกันมาขัดขวางกันอะไรต่ออะไรมายั่วให้โกรธมันจะทนได้ยังไงนี่ชอบพูดกันอยู่บ่อยๆ อ, อยู่ เ, เป็นไนหาได้รู้ไหมว่ากฎธรรมดาเป็นยังไงโลกอันนี้นะ พระพุทธเจ้ายังได้ทรงตรัสด้วยว่านัตติโลเก อ, อนินทิโตความคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกดังนี้เราฟังเอาสิพุทธภาษิตอะจะเป็นคนดีหรือคนชั่วยังไงยังไงไพว่าพระพูดโดยทั่วๆไปแล้วนะตั้งแต่พระพุทธเจ้าผูเ้เรสิฐในโลกนะั้นลงมา จนถึงคนขอทานที่เดียวรู้ว่แต่ได้รับคําสรรเสริญก็มีได้รับความนินทาว่าร้ายต่างๆก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดามาแตไหนแต่ไรพระพุทธองค์จึงได้ตรัสภาสิตอันนี้ไว้ว่าคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกเลยเออถ้าเขาพอใจเขาก็สรรเสริญให้ถ้าเขาไม่พอใจเขาก็นินทาให้ติเตียนให้ ไอ้ยอย่างนี้เป็นโลกธรรมดาดังนั้นเราต้องเรียนรู้ที่ผู้ปฏิบัติธรรมอ่ะจะไปถือเอาเจตทธธิฏฐิของตนยังไงอ่ะว่าถ้ามัมั่นยั่วกันมันก็ไม่โกรธอันนั้นมันเป็นทิฏฐิอันนั้นนะอย่าไปถือมั่นไว้ก็ยังว่าโรกธรรมดามเมื่อเขาชอบใจเขากดสรรเสริญให้เมื่อเขาไม่ชอบใจเขาก็นินทา วันนี้เราผู้ต้องการอยากพ้นจากโลกอันสับสนอย่างเนี้ก็ทําใจให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งอยู่ในระหว่างกลางของความสรรเสริญและความลินทาซี่นั่นแหละเมื่อระวางจิตเป็นกลางได้อย่างนั้นแล้วมันก็ไม่มีคุณไม่มีโทษอะไรคำสรรเสริญลินทาหมดนั้นนะมันก็เหมือนกับลมพัดไม้ใหญ่ๆท่าหนึ่งผ่านไปผ่านไปผ่านไ ป, นไปพอ ลมนั้นหมดไปต้นนั้นต้นไม้ต้นนั้นมันก็ยืนตัวอยู่ตามธรรมดาฉันใดจิตใจของคนผู้ฝึกให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งอย่างว่านี่ได้แล้วก็คำสรรเสริญะนินทามันกระทบกระทั่งมายัางไงไม่บรรยวยนหวแล้วไม่ยึดถือเอาอารมณ์เหล่านั้นไว้แล้วพอเขาหยุดด่าเรื่องนั้นมันก็ดับไปพอเขาหยุดสรรเสริญเรื่องนั้นมันก็ดับไป จิตใจตนเองก็เป็นปกติอยู่ไม่เสียหายอะไรไม่คุณมัวอะไรนี่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราฝึ ก, กจิตใจนะให้ฝึกอย่างนี้อย่าพากันนิ้งนอนใจอย่าพากันถือมั่นในทิฏฐิความเห็นของตนอย่างที่ว่ามาแล้วนั้นที่จริงมันถือมั่นมานานแล้วทิฏฐิอันนี้นะมันก็ไม่พ้นทุกสักทีต้องคิดให้มันเห็นอย่างนั้น ไม่พนทุกสักที่ยงเอาเกิดมาชาตินี้พอมีใครมาด่าวา่าตีเตียงก็โกรธทะเลวิวาทกันไปเอาเป็นกรรมเป็นเวรกันไปอย่างนี้นะเอาถ้ามีใครมาสรรเสริญเนยนยอ ก, ก็โอ้ดีอกดีใจหลายอืมมีอะไรก็ให้ไปทีนี้ถ้าเขาไม่สรรเสริญอินท่าให้เราผิดเศร้าใจอะไรนี่นะเป็นอยู่งี้แหละ คนธรรมดาสามัญ น, นี่นะท่านเรียกว่าโลกกระทำเรียกว่าธรรมประจำโลกอืมันมีอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าพากันนิ่งนอนใจต้องคิดต้องอ่านต้องพิจารณาให้มันรู้มันเห็ น, นเหตุเห็นผลแห่งความดีหรือความชั่วในโลกอันนี้นะ่ะมันมีเหตุมีผลของมันอยู่ในตัวทั้งนั้นแหละ แต่เมื่อคนไม่พิจารณามันก็ไม่รู้นี่เหตุนะ ates, อย่างนี้นะก็ได้แก่ความนินทาว่าร้ายต่างๆนี่นั่นนีถ้าต้นวันไว้กับความนินทาว่าร้ายต่างนั้นมันก็เกิดผลขึ้นอย่างหนึง่งคืออะไรคือความโกรธความน้อยใจความโกรธความเครียดแค้นต่างๆการทะเลาะวิวาทก็เกิดมีขึ้น นั่นแหลเรียกว่าผลนะผลแห่งความหวั่นไหวต่อเหตุที่เกิดขึ้นนั้นอืมคําสรรเสริญเยนยอก็เหมือนกันนะบางคนก็ให้เขาหลอกต้มตุนเอาเงินเอาทองไปเพราะหลงคําสรรเสริญเยนยอของเขานั่นแหละ อ, อนักดื่มอย่างนี้นะนักดื่มถ้ามีกระเป๋าหนักหน่อยอ ไปสู่โงเล่าเข้าไปนะเอาคนไม่มีสียตังเขาก็ไปยกยอนายอย่างนั้นนายอย่างนี้เออไปลูกแข่งคํำขาเข้าไปสนรเสริญเยิ น, นยองแบดนีอย่างนั้นอย่างนี้อะไรไปแล้วก็ตัวเองก็ปุ่มใจ ม, มีเงินมีเท่าไรก็เทออกไปซื้อเล่าแจกเพื่อนดื่มเอาในที่สุดเงินนั้นมันก็หมดลงได้เออพอเงินหมดเราจึงรู้ตัวที่ไหนได้ มันสายเสร็จแล้วแก้ไม่โต๊กออย่างนี้แหละคนหลงนะคนหลงคนเมามันต้องรู้ไว้ผู้มีใจเป็นสมาธิเท่านั้นแหละมีใจตั้งมั่นด้วยดีมีสติเข้มแข็งมีความอดทนฝึกความอดความทนให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจของตนประกอบด้วยคุณธรรมต่งตางๆเหล่านี้นะใจมันถึงมั่นคงได้ Ừ, เมื่อเรื่องไม่ดีเรื่องดีเรื่องชั่วอะไรในโลกนี่กระทบกระทั่งมามันก็ไม่วันไหวแบบนี้ผู้มีคุณธรรมอยู่ในใจอย่างว่านั้นผลสุดท้ายก็ได้แค่ปัญญานั่นแหละมันจะถอนรากของกิเลสล่านี้ออกจากใจเมื่อถอนรากมันออกได้แล้วยิ่งสบายหลายอืมพยายามสรรเสริญหรือนินทา ย, ยัางไงยังไงมามันก็ไม่ตื่นเต้นอะไรเลยเพราะว่ามันไม่มีรากไม่มีเงา ไม่มีเชื้อแห่งความชั่วเหล่านั้นอยู่ในใจที่มันจะดึงดูดกันเข้าไปได้มันไม่มีกราะนั้นการที่มันใจมันหลงยึดหลงถือเรื่องชั่วร้ายต่างๆพวกนี้มันมาแต่ภายนอกนั่นนะก็เพราะว่ามันมีเชื้ออยู่ภายในนั่นคอยดึงดูดกันอยู่เหมือนกับแม่เหล็กนี่มันเปอย่างนั้นถ้ามันหมดเชื้อนั่นแล้วมันไม่มีเครื่องดึงดูดแล้ว มันมันก็เลยไม่มีความหมายอะไรเลยความชั่วยต่างๆนี้นะกระทบกระทั่งมามันก็หายไปเองหายไปเองเลยพอจิตไปยึดถือเอามันนะพอละเหตุปัจจัยเหล่านั้นหมดสิ้นไปแล้วผลสุด ท, ท้ทายก็คือละอุปทานในขันหานี้เองผู้ใดเพียรพยายามใช้ปัญญาสอนใจ ให้ละอุปทานในขันห้านี้ลงได้แล้วก็เป็นอันว่าละทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเลยในโลกสันนิวัติอันนี้ดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้